14. อันเตวาสิกะวัตตะกะถาว่าด้วยวัดปฏิบัติในอันเตวาสิกสมัยนั้นพระอาจารย์ทั้งหลายไม่ประพฤติ ช, ชอบในอันเตวาสิกทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษ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 ภิกษุทั้งหลายทราบว่าอาจารย์ทั้งหลายไม่ประพฤติ ช, ชอบในอันเตวาศิก์ทั้งหลายจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตาหนิครั้นทรงตาหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถาแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้นเราจะบัญญัติวัดในอันเตวาสิกทั้งหลายแก่อาจารย์ทั้งหลายโดยที่อาจารย์ทั้งหลายต้องประพฤติชอบในอันเตวาสิกทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอาจารย์พึงประพฤติชอบในอันเตวาสิกวิธีประพฤติชอบในอันเตวาสิกนั้นมีดังนี้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 อาจารย์พึงถวายบาทแก่อันเตวาสิกหรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอบาทพึงเกิดขึ้นแก่อันเตวาสิกถ้าอาจารย์มีจีวร อ, อันเตวาสิกไม่มีจีวร อ, อาจารย์พึงถวายจีวรแก่อันเตวาสิกหรือพึงทำการขวนขวายว่า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 ปูอาสนะไว้โดยกำหนดว่าเวลาเพียงเท่านี้อันเตวาสิกจะกลับมาพึงเตรียมน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้พึงลุกขึ้นรับบาทและจีวรพึงถวายผ้านุ่งอาศัยรับผ้านุ่งมาถ้าจีวรชุ่มเหงือ่อพึงพึ่งแดดครู่หนึ่ง ไม่พึงพึ่งทิ้งไว้ที่แดดพึงพับจีวรเมื่อจะพับจีวรพึงพับจีวรให้เหลือมมุมกันสี่นิ้วตั้งใจว่าตรงกลางจะได้ไม่มีรอยพับพึงม้วนประคดเอวใส่ขนดจีวรถ้าบินถาบาทมีและอันเตวาสิกต้องการจะฉันพึ่งถวายน้ำแล้วน้อมบินทบาทเข้าไปถวาย นำน้ำฉันมาถวายเมื่ออันเตวาศิกฉันเสร็จแล้วพึ่งถวายน้ำรับบาดมาถืออย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดล้างแล้วเช็ดให้เสด็จน้ำพึ่งแดดครู่หนึ่งไม่พึง่งพึ่งทิ้งไว้ที่แดดพึ่งเก็บบาดและจีวรเมื่อจะเก็บบาดพึ่งใช้มือข้างหนึ่งถือบาด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 ถ้าอันเทวาสิกต้องการจะเข้าเรือนไฟพึงบทจุรนพึงแช่ดินถือตั่งสำหรับเรือนไฟเดินไปถวายตั๋งสำหรับเรือนไฟแล้วรับจีวรมาวางณที่สมควรพึงถวายจุรนและดินถ้าสามารถพึงเข้าเรือนไฟเมื่อจะเข้าเรือนไฟพึงเอาดินฐานหน้า ปิดหน้าและหลังจึงเข้าเรือนไฟไม่พึงนั่งเบียดพระเถระไม่พึงกีดกันอาสนะพระนวกะพึงทำบริกรรมแก่อันเตวาสิกในเรือนไฟเมื่อจะออกจากเรือนไฟพึงถือตั่งสำหรับเรือนไฟปิดหน้าและหลังจึงออกจากเรือนไฟพึงทำบริกรรมแก่อันเตวาสิกแม้ในน้ำ ตนสงเสร็จแล้วพึ่งขึ้นก่อนเช็ดตัวให้แห้งแล้วผัดผ้าพึ่งเช็ดน้ำจากตัวอันเตวาสิกถวายผ้านุ่งสังคาติถือตั่งสำหรับเรือนไฟมาก่อนปูอาสนะเตรียมน้ำล้างเท้าตั่งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้นำน้ำฉันมาถวายอันเตวาสิกอันเตวาสิกอยู่ในวิหารใด ถ้าวิหารนั้นศ ก, กรปรกถ้าสามารถพึงชําระให้สะอาดเมื่อจะชําระวิหารให้สะอาดพึงขนบาตรและจีวร อ, ออกก่อนวางไว้ณที่สมควรพึงขนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนฟูกหมอนออกมาวางไว้ณที่สมควรเตียงตังอาจารย์พึงยกอย่างระมัดระวัง ไม่ให้ครูดไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูขนออกไปตั้งไวหน้าที่สมควรเขียงรองเตียงกระโถนพนักพิงพึงขนออกมาวางไวหน้าที่สมควรพรมปูพื้นพึงสังเกตที่ปูไว้เดิมค่อยขนออกมาวางไวหน้าที่สมควรถ้าในวิหารมีอยากเยื่อพึงกวาดเพดานลงมาก่อน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 พึ่งพึงแดดชําระตบขนกลับปูไว้ตามเดิมเขียงรองเตียงพึ่งพึงแดดเช็ดขนกลับวางไว้ตามเดิมเตียงตงั้งพึ่งพึงแดดชําระปัดยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูขนกลับตั้งไว้ตามเดิมฟูก หมอนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนพึงพึงแดดชํมระตบขนกลับวางปูไว้ตามเดิมกระโถนพนักพิงพึงพึงแดดเช็ดถูขนกลับวางไว้ตามเดิมพึงเก็บบาทและจีวรเมื่อจะเก็บบาทพึงใช้มือข้างหนึ่งถือบาทใช้มือข้างหนึ่งคลำใต้เตียงหรือใต้ตัง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 เกิดความเห็นผิดอาจารย์พึงให้สลัเสียหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยสละเสียหรือพึงแสดงธรรมกราแก่อันเตวาสิกถ้าอันเตวาสิกต้องอาบัตหนักควรแก่ปริวาตอาจารย์พึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงให้ปริวาต แกอันเตวาสิกถ้าอันเตวาสิกควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิมอาจารย์พึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงชักอันเตวาสิกเข้าหาอาบัตเดิมถ้าอันเตวาสิกควรแก่มานัทอาจารย์พึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงพึงให้มานัดแก่อันเตวาสิกถ้าอันเตวาสิกควรแก่อับพานอาจารย์พึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงอับพานแก่อันเตวาสิกถ้าสงต้องการจะทำกรรมคือตัชนียกรรมนิยสกรรมปัปพาชนียกรรม ปฏิสารนียกรรมหรืออุเขปนียกรรมแก่อันเตวาสิกอาจารย์พึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสองไม่พึงทำกรรมแก่อันเตวาสิกหรือพึงเปลี่ยนไปเป็นโทษเบาหรือว่าอันเตวาสิกถูกสงลงตัดชนียกรรมนิยสกรรมปพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรมหรืออุเขปนียกรรมแล้วอาจารย์พึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนออันเตวาสิกพึงกลับประพฤติชอบพึงหายเย่อหยิ่งพึงกลับตัวได้สงพึงระงับกรรมนั้นเสียถ้าจีวรของอันเตวาสิกจะต้องซักอาจารย์พึงบอกว่า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 พึงตัดเย็บจีวรของอันเตวาสิกถ้าน้ำย้อมของอันเตวาสิกจะต้องต้ม อ, อาจารย์พึงบอกว่าพึงต้ม อ, อย่างนี้หรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงต้มน้ำย้อมของอันเตวาสิกถ้าจีวรของอันเตวาสิกจะต้องย้อม อาจารย์พึงบอกว่าพึงยอมอย่างนี้หรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงยอมจีวรของอันเตวาสิกเมื่อจะยอมจีวรพึงยอมพลิกกลับไปกลับมาดีๆเมื่อหยาดน้ำย้อมยังหยดไม่ขาดสายไม่พึงหลีกไปถ้าอันเตวาสิกเป็นไข้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 วัตตะขันทกะที่แปดจบ